Mm hmm.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 แต่ตอมาพอเราเจอบ่อยๆเจอบ่อยเราเริ่มจำได้แล้วเราเริ่มจำได้เราเริ่มรู้แล้ว อ, อ๋อนี่นี่พูลายนะตอนนี้จะมาชักจูงเราจะมาจูงมือเราไปเราไม่ไปแล้วใหม่ๆก็จูงไปกลางทางแล้วเราก็นึกขึ้นมาได้ว่านี่โจรเราก็สะบัดหลุดสะบัดมือหลุดออกมาแต่ตอนหลังนี่เพียงแค่จะจูงมือเราเราก็ไม่ไปแล้วมีสติก็คือมีอย่างงั้นแหละคือการเราลึกได้